การถอนพอรนามไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่หรอกนะปัญหาหลักๆมีไม่กี่เรื่องเรื่องหนึ่งลืมตัวเองไปเลยเรื่องหนึ่งประคองเอาไว้อีกพวกหนึ่งใจมันไหลไปสร้างภพอะไรขึ้นมาแล้วไปติดอยู่ในภพที่สร้างขึ้นมาเองเติมใหญ่ใจไหลไปอยู่ในความว่างๆไปติดอยู่ในความว่างๆบางคนบอกดูจิตไม่ดีเลยติดวิปัสสนูว่างๆโธ่ทำวิปัสสนานะถ้าทำถูกเราก็ต้องเกิดวิปัสสนู ดูกายก็เป็นวิปัสสนูนะมันไม่ใช่ดูจิตเป็นวิปัสสนูอย่างเดียวยงเว้นดูผิดถ้าเพ่งกายอยู่เฉยๆก็ไม่มีวิปัสสนูหรอกมีแต่นิมิตเพ่งจิตนั่นก็เป็นนิมิตถ้าเราดูความเกิดดับไปเรื่อยหนึ่งจุดหนึ่งก็เกิดวิปัสสนูวิปัสสนูนี่เป็นภาวะซึ่งจิตนี่เข้าไปติดอยู่ในบางสิ่งบางอย่างจิตมันไม่ตั้งมั่นเช่นเราภาวนาเราเห็นสภาวะมันเกิดดับเห็นกิเลสมันไหลมาไหลไปเราก็ตามไปดู เมื่อก่อนมีรายการโทรทัศน์น่าตามไปดูพวกเราอย่าตามไปดูนะพวกเราตามดูเฉยๆแต่ไม่ไปนะ เ, ออเราแค่ตามดูไม่ใช่หลวงพ่อประมุ่นสอนให้ตามไปดูไม่ต้องไปนั่งดูมันสบายๆเห็นมันไปเราไม่ไปกับมันนะพวกที่ไปติดว่างๆนะเพราะว่าไปดูสภาวะแล้วตามไปดูจิตเคลื่อนตามไปเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นไปดูมันเคลื่อ น, เ ค, อนเคลื่อนเคลื่อนออกไปพอมันเคลื่อนไปมันดับปั๊บไป จิตกับบ้านไม่เป็นไม่รู้ว่าตัวเอง Becca's time screen มัเคลอนตามอารมณ์ไปห อ, ออกว่าตัวเอง continuing to start торииicyclean3 ビ명이ออกว่ร้อยคิดว่ายังดูอยู่ไมา่ biết ตร ted aide choosing here financial ended อยู่ได้เป็นปีเลยนะใจโลกไว้จิตแต่ความสุข savings คง erstpostQual32nh bla compassion wollt Ul traditions บางคนก็ติดไปจังผู้สุดคงส้าสคง pieds บางคนเป็นผ bean อยากศอนคนโน้วนอยากศอนคนนี้อยาก uma ฮ่าคนน้วนคนนี้อยากเตือนคนโ น, ค น, นั้พว los n' คงอื่นเ lam van มีผส ANOO พวกเรามังบางคนภาวณาเราเคยรู้ sigu ็願รู้สึกไหมั้ยมันคันในใจอยากศอ น, น, ะนะอยากศอนอยากไปบอกเขาเนมียดต他จังเลยอยากบอก <c oughs> กี่เลตท่วมหัวหมากไม่เห็น <c oughs> เรารถ้ ier us. don is not me. จะอยากศอนขึ�� societars replace me บางทีมียาตริจกั น, นะ ตีสองตื่นขึ้นมาปิ้งธรรมะอีกแล้วชอบปิ้งตอนตีสองคือนอนพอปลุกเมียตื่นตื่นตื่นมาฟังธรรมะทเทศให้ฟังหมาเปล่ารู้แต่เดี๋ยวนี้หายแล้วเมียบอกดีขึ้นเยอะเลยนานนานดีเนี่ยถ้าใจเราฟุ้งกับธรรมะก็รู้ทันนะหลวงพ่อเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เลยนะ ครูบาอาจารย์ท่านก็ปล่อยท่านไม่ได้แก้ให้นะฮะพงศ์รู้สึกไม่ไหวเหมือนกันคนนี้พอได้ยินว่าครูบาอาจารย์ท่านจะมารับผ้าป่าก็ดีใจใหญ่เลยเอาแบงค์ห้าร้อยสมัยนั้นมีแต่แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันยังไม่ออกเอาแบงค์ห้าร้อยนะใส่ตะกร้านะตะกร้าตะกร้าจ่ายตลาดแบบโบราณนะคิดว่าใส่ไปเดินแจกปรื้มมีความสุขมากเลยนะโอ้โหควรจะเหยียบเป็นตายเหยียบเป็นไปแย่ง パワーナー、メシューン、バンティーク、リファーション、オーダー、ピンペイ。メシバー、メイトン、カナッバー、バーマンー、メドゥーン、エネバーフィンクロウクロウ、メイラ、コンクン。メイラ、バンポのク、ジューン、シュティー、ミシュティー、時ワイト、ゲトムヘド。ケドゥーク、ディー、マーメイダイディ、コワ、メシャイフラーラン。 มีหลายแบบนะเพราะฉะนั้นเราภาวนานะค่อยๆสังเกตอะไรที่ผิดธรรมดาไม่ใช่หรอกธรรมะเนี่ยเรื่องธรรมดาแท้ๆเลยเราเรียนให้เห็นว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของใจเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ให้หลงกันโลกนะบางคนได้ยินหลวงพ่อบอกธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นทำชั่วก็ได้สิชั่วก็เป็นธรรมะไม่ใช่สอนให้มีสติ ที่บอกธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาหมายถึงว่าอย่าเริ่มต้นด้วยการปลอมแปลงดัดแปลงตัวเองกายเราเป็นยังไงรู้สึกเป็นอย่า ง, งนั้นจิตเป็นยังไงรู้สึกเป็นงั้นอย่าไปดัดแปลงมันนะรู้สึกไปสบายๆอย่างที่เขาเป็นตามดูมันไปการที่เรามีสติตามรู้ตามดูลรับรองว่าทำชั่วไม่ได้คนเราทำชั่วได้เพราะขาดสติกิเลสครอบงำจิตถึงจะทำชั่วได้ถ้าเราปล่อยให้กายให้ใจทำงานนะเรามีสติตามรู้ตามดูไม่มีทางทำชั่วหรอก มีสติมก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญามีสติก็มีวิมุติขาดสติอันเดียวก็ไม่มีอะไรเหลือหมดเนื้อหมดตัวให้เรามีสติไปเอาละหายง่วงละต่อไปตรวจการบ้านเชิญโจโจนี่โจโจมันวุ่นขึ้นเยอะเลยวะไม่มีอะไรปกปิดครับเราไม่มีอะไรปกปิดดี ลดจาก82เหลือ75แล้วครับอะไรนะลดจาก82เหลือ6เหลือ75แล้วครับก็เกง่งว่ะหลวงพ่ อ, อยัง85อยู่เลยก <laughs> ็ยังไม่มีอะไรจะส่งเลยครับคือจะดูไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆด้ว ย, วยจิตขนาดนี้ไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้เป็นพบอันหนึง่ง <c oughs> ดูออกไหมตรงนี้ก็คือพบอันหนึ่งไม่ธรรมดาเราปรุงมันขึ้นมานะพบอันเนี้ยนิ่งๆว่างๆหน่อยๆเห็นไหมมีการกดเอาไว้ลึกๆ เห็นไหมมีตัวหนึ่งคงที่นะค่อยๆดูไปนะครับใจยังเหลือตัวหนึ่งที่สงวนรักษาเอาไว้ไม่ใช่ของจริงรรนะอ่ะต่อไปมาคนเดียวหรือเจ้าแล้วลูกสิทธิ์เจ้าอ๋อจิตมันกดไว้ค่ะอืมใครมันกดใครนะจิตมั น, ดม น, มนกดไม่ใช่ไปกดจิตนะเป็นโทษใส่จิตว่าจิตมันกดความจริงเราไปกดจิตเอาไว้เ <laughs> นี่ยหาผู้ร้าย <laughs> ตัวเองกวดเองแท้ๆเลยไปบอกว่าจิตมันกวด <c oughs> เอา้าไปดูเอาอย่ามาตู่กันไม่เชื่อนมันส ก, การเขาหลวงพ่อครับ เ, เหมือนยกนี้ครับเหมือนมันรั้วฟงซ่านนะครับแล้วก็มีกดนิดๆแต่มันก็ไม่มีแรงที่จะกลับมาครับไม่มีแรงถูกต้องนะปัญหาตอนนี้ของโก้คือไม่มีแรงไม่มีแรงก็ทำสม่ำเสมอไปมาวัดเป็นช่วงๆเงี้ยดีได้มีแรงพระบอยเป็นไงมั้งอืม <c oughs> ก็กรบตาเป็นไงบ้างสบายดีค่ะแม่ตาแจ่มใสค่ะล่ะยังไม่สึกเนาะไม่สึกค่ะบุญสึกออกมามหาานรกทั้งเป็นนั่นแหละอ้าวคนนี้อย่ากราบนานส่งกันบ้านเสียเวลาอ้าวกราบนรวศการหลวงพ่อเนาะค่ะคืออยากจะทราบว่าที่ปฏิบัติมานี่ถูกหรือเปล่าคะก็ถูกเหมือนกันนะแต่ถูกนิดหน่อยยังไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีประคองอยู่ดูออกไหม สังเกตไหมใจเรากระจายออกมาข้างนอกเงินเจ้าออกมาดูออกไหมตรงนี้หลวงพ่อบอกแล้วดูออกไหมไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อนะไม่เห็นคือไม่เห็นนะไม่เห็นนะเออเนี่ยเกรงใจเกรงใจก็เปลี่ยนไม่ได้สิสังเกตดูใจของเรานะพยายามกลับมารู้สึกร่างกายบ่อยๆกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดๆให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจของเรากระจายออกไปกว้างๆรู้สึกไม่สบาย อยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้เป็นปีเลยอยากทำให้ดูยิ้มหน่อยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้เป็นปีเลยนะดูออกไหมค่ะรู้สึกไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่อะใช่มันกระจายออกไปไปอยู่ข้างนอกน ะ, ะให้รู้ทันนะมันจะกลับเข้ามาคมันทวนกระแสเข้ามาไม่ใช่ตามกระแสออกไปนักปฏิบัติเป็นนักทวนกระแสนะแต่ไม่ใช่คนขวางโลกเห็นใจมันไหลไปรู้ทันใจมันทวนเข้ามามันทวนเอง อย่าไปดึงค่อยๆฝึกไปนะดูใจไปปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติไม่ประคองตรงนี้มีประคองไว้ด้วยกดเอาไว้ไม่กดนะปล่อยมันแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วดูใจเช่นเดินเดินไปหอมขยะโชยมาเหม็นเปรี้ยวๆอะไรเงี้ ย, ยนใจไม่ชอบเลยรู้ว่าไม่ชอบพวกเราผุยชนิดนิดๆวัดนิ ด, น ด, นดพอแล้วเนาะ <c oughs> คนเป็นเยอะเวลาพวกเรามาเรีย <c oughs> <c oughs> นนะบางทีมันกวนนะ <c oughs> ที่วัดใช้ปุ๋ยเหมือนกันแต่ทำเองใช้ปุ๋ยหมักเอาเองไม่ไม่มีกลิ่นอะไรถ้ากลิ่นแรงเนี่ยที่หลวงพ่อกลัวมากคือแมงวันเดี๋ยวแมงวันมาเยอะงั้นปุ๋ยแบบนี้เขาอนุโมทนานะแต่พอและ <c oughs> การพุทธมรรสการหลวงพ่อครับรู้สึกว่าตอนนี้ใจยังไม่ค่อยตั้งมั่นนะครับยังใจค่อนข้างลอยครับเออลอยไปกดไว้ใจลอยรั่วใจลอยไม่ใช่ปัญหา ใจลอยแล้วไม่อยากจะใจลอยแล้วไปกดไว้อันนี้เป็นปัญหานะจิตปรุงแต่งไม่เป็นไรเราอย่าไปปรุงแต่งจิตจิตปรุงแต่งเช่นใจจะลอยมันลอยของมันเองใจลอยห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่อยากลอยใช่ไหมมีความไม่อยากเกิดขึ้นแล้วไม่ชอบพยายามไปแทรกแซงไปกดอันนี้ไม่ดีนะต่อไปใจลอยรู้ว่าใจลอยไม่กดไม่บังคับรู้ไปสบายๆตอนนี้กดอยู่ไหม นิดหน่อยครับนิดหน่อยนะออถูกต้องนิดหน่อยอลูกศิษย์โจโจขอบพระคุณครับค่ะก็ตอนนี้ก็ไม่ตั้งมั่นนะค ะ, คะก็กระจายออกมาข้างนอกแต่ว่าคือเมื่อวานก็ดูแต่รู้กับเผลอดูไปเรื่อยๆค่ะพ่อก็เห็นว่ามันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานเองคือตอนที่ตอนเย็นเดินจงกรมที่หน้าสาราก็รู้สึกว่าก็ตั้งมั่นดีแต่พอกลับไปเดินในกุฎพอเห็นความมืดมันกลัวแล้ว ก็กลัวค่อนข้างมันก็เป็นขึ้นมาเองอะค่ะก็รู้สึกมันกลัวเองนะมันกลัวตรงไหนเราไปเดินตรงนั้นค่ะหนูก็เลยเดินออกมามาเดินหน้ากุดตอนกลางคืนก็พอออกมาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าพอรู้สึกว่าเรากับธรรมชาติรอบตัวมันก็คล้ายๆกันมันก็หายไปใช่นะภาวนาแล้วมันกลมกลืนเข้ากับสิ่งที่แวดล้อมอยู่กายใจนะมันคืนให้โลกไปนะมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเหมือนไม่ได้แบ่งแยกตัวเองออกมาว่านี่เป็นเราเนี่ยเป็นเขาอะไรขึ้นมา การฝึกนะสุดท้ายเราเห็นความจริงเลยทั้งกายทั้งใจนี้กับโลกที่แวดล้อมอยู่นี่เป็นอันเดียวกันเลยหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะประโยคเด็ดเลยบอกว่าถ้าเมื่อไรเธอเห็นว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนะเราจะเข้าใจธรรมะธรรมะชั้นสุดยอดเลยของเรายังไม่เข้าใจธรรมะสุดยอดเรายังรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่เรากับสิ่งที่แวดล้อมเนี่ยคนละอันกันเราไปสร้างกำแพงขึ้นมาหนึ่งนะสร้างวงขึ้นมาหนึ่งขีด วงขึ้นมาแห่งความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะความไม่รู้ของเราในความเป็นจริงมนุษย์ไม่ได้มีสาระแก่นสารเลยในตัวเล็กกระเพี้ยกเลยเทียบกับโลกเทียบกับจักรวาลไอน์สไตน์สอนดีนะไอน์สไตน์บอกมนุษย์เนี่ยเป็นแค่เศษธุลีของจักรวาลแต่มนุษย์เนี่ยสำคัญมั่นหมายว่ากูใหญ่มีกูขึ้นมาเนี่ยมันเก่งจริงจริงไอน์สไตน์เนี่ยมันก็เลยแยกตัวเองออกมาจากโลกข้างนอกถ้าเมื่อไรมันมีปัญญามันเห็นว่าร่างกายนี้จริงจริงก็เป็นส่วนหนึ่งของโลก จิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกมันคืนให้โลกไปนะมันไม่แบ่งออกมาเป็นตัวเราไม่ยึดถือนั่นเองถ้าไม่ยึดถือน ะ, นอนะกลมกลืนเหมืนอนเดียวกับโลกไม่ได้ยึดถืออะไรสักอย่างมีความสุขล้นลวนๆเลยตอนนี้ให้ฝึกไปตอนนี้ยังไม่สุขล้วนหรอกสุขตั้งทุกข์บ้างะนะต่อไปเราจะตรวจการบ้านเท่าที่จำเป็นนะเท่าที่จำเป็นร้อยสิบเอ็ดมาสการ์ค่ะหลวงพ่อ อยากถามหลวงพ่อว่าเมื่อสองสามวันก่อนที่เห็นแยกๆไปเนี่ยมันแยกจริงหรือเปล่ า, าคะมันแยกชั่วครั้งชั่วคราวเด็ยวกเข้า<ต>มาปนกันอตอนนี้มันก็มารวมกันหมดแล้ววันนี้โมงหะเยอะมากเลยค่ะหลวงพ่อคะเวลาแยกเนี่ยอย่าจงใจแยกนะอันนั้นจงใจไหมคะเขาแยกใครจะไปเห็นล่ะ <laughs> ถามตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งพระเจ้าเหาใครจะไปดูว <laughs> ันเพิ่งเป็นเมื่อสองสามวันเนี่ยคะ่ะ <laughs> มันเป็นยังไง มันเห็นห่างๆไปอะค่ะมันเห็นอย่างนั้นนะถูกละแต่ว่าอย่าไปประคองจิตให้ห่างๆนะค่ะบางครั้งที่เห็นไม่มีประคองประคองอยู่ค่ะแล้วก็มีอันหนึ่งคือวันนั้นทำในรูปแบบแล้วเห็นอาการของจิตที่มันขยุมตะครุบเข้ามาอย่างนี้ค่ะอันนี้เนี่ยต้องดูด้วยไหมคะเห็นถูกนะมันขยุมก็รู้มันตะครุปก็รู้ค่ะแต่เวลาเห็นเนี่ยยังพลาดนิดนึงยังกระโดดเข้าไปจ้องใส่มันอยู่ให้ดูห่างๆ カーブは เมื่อวานครับไปดูหนังนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยความรู้สึกทางตาหูจมูกเออความยินดีในการรู้ทางตาจมูกลิ้นกายเนี่ยรู้สึกความยินดีในในทั้งสี่อย่างเนี่ยลดลงครับแต่แปลกตรงที่ความหมายถึงว่าความยินดีในใจอย่างเช่นปิติเนี่ยเกิดบ่อยมากาบางทียังเช่นไม่ได้นะปิติไม่ใช่ปัญหานะครั บ, รบมีปิติก็ไม่เห็นจะเป็นไรปิติไม่ใช่กิเลสครับทีนี้ผมก็เอ๊ะมันอาจจะเป็นเพราะความความยินดี เกินมากทีนี้ลองไปดูก็เมื่อวานเพื่อนชวนไปดูหนังนะครับอพอได้เห็นพระชะกัลินีกิจของในหลวงรู้สึกเกิดปิติแล้วก็คิดเอ๊ะออ เ, อเราเราเกินไปหรือเปล่าคราวนี้พอมาเจอผมไปดูเรื่องบุปผาราตรีเขาอย่าเล่าสิเขาถอนซะถอนทีนี้ <laughs> เขากลัวมากครับ ทีนี้ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเออดูตอนที่ติงกลัวเนี่ยคือผมรู้สึกว่าตั้มโมติเนี่ยคือคือผมเป็นหมอนะครับตั้มโมติเราเคยเจอคนไข้ที่ไม่ว่าจะเป็นขาขาดแขนขาดเราไม่กลัวหรือคนไข้ที่จะเสียชีวิตก็ไม่กลัวหรือแม้บางทีเราสร้างนี้มีขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างเช่นเป็นผู้ถีอย่างเงี้ย อ, อยู่กับคนเดียวไม่กลัวแต่แปลกอันนี้เราดูของปลอมแต่ทำไมมันรู้สึกมันกลัวกว่าเดิมมากเลยนะครับดีกายเนี่ยนะครับเขาคำว่าขนพองสยองกล้าวเนี่ยถึงรู้สึกนะครับ กายเนี่ยกลัวมากนะครับใจเนี่ยรู้ว่ากายกลัวใจและกลายแล้วก็ตัวรู้เนี่ยแยกห่างออกจากกันทั้งสามครับแต่แปลกตรงที่เพราะว่าผมเห็นว่าจริงๆคือตัวผู้รู้แล้วก็ตัวใจและก็ตัวกายเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการสัมพันธ์กันแต่จริงๆแล้วมันทำงานเนี่ยแยกออกจากกั น, นครับบางครั้งเนี่ยใจสงบแต่กายก็ไม่ได้สงบด้วยออบางบางครั้ง กายมันทุบทรมานไม่ใช่ใช่ไหมนั่นแหละภาวนาอย่างนั้นนะเห็นไปขันแต่ละขันก็แยกของมันไปเรามีหน้าที่ตามรู้ตามดูอันนี้ผมไม่ได้ดูเกินจริงใช่ไหมครับจิตเนี่ยปกติเป็นเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนครับตอนนี้ไม่เอานะตอนนี้ตัวปลอมไปฝึกนะจุดที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือความตั้งมั่นของจิตจิตกระจายออกไปข้างนอกไม่ถึงฐานตัวนี้เข้าใจไหมดูออกไหมตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดตอนนี้เนื่องจากมันตื่นเต้นนะครับแล้วตอนนี้มันมองไม่เห็นโมหะมันเยอะครับครับมันโมหะไม่เยอะเยอะถ้าถ้าเป็นก่อนมาปฏิบัติก่อนที่ถึงวัดเนี้ยตรงที่ขันมันแยกออกไปนั่นแหละตรงนั้นใช้ได้ครับแต่ถ้ามันไม่แยกก็ช่างมันนะถ้ามันแยกก็ดีแต่แปลกตรงที่ว่าตอนที่มันแยกออกจากกันไม่แปลกหรอกธรรมดาครับธรรมดา รบเมื่อกี้จิตหลุดออกมารู้ส<ช>ึกไหมเออมันต้องอย่างนี้สิใช้ได้อย่างนี้ผ่านละร้อยห้าสิบสามดีนะภาวนาใช้ได้แล้วคุณตามรู้ตามดูอย่างนี้แหละทำถูกแล้วปิติเกิดแล้วรู้สึกไหมมีปิติแทรกเข้ามาก็รู้ทันไปตอนนี้จิตถูกปิติย้อมให้รู้ว่าจิตถูกปิติย้อมนะถูกปิติย้อมก็ไม่ได้จิตมีแต่ปิติเยอะเลยแล้วอยู่ถูกย้อมไปเรื่อยนะแล้วก็ขาดสติไป จิตเคลื่อนไปตามการย้อมของปิติเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งคนที่เกิดวิปัสสนูได้ต้องภาวนาเป็นนะภาวนาเป็นทำวิปัสนาเป็นเนี่ยช่วงหนึ่งมันจะเกิดวิปัสสนูวิปัสสนูมีตั้งสิบอย่างมีอย่างหนึ่งก็คือมีปิติย้อมใจมากเลยแล้วก็ปลื้มอยู่นั่นแหละให้เรามีสติรู้ทันลงไปอีกจนกระทัง่งมันปิติก็เป็นขันขันหนึ่งนะก็อยู่ต่างหากดูอย่างนี้นะเดี๋ยวจะดีดีภาวนาเก่งเชียวหกสิบหก ร้อยห้าสิบสามก่อนครับอ้าร้อยห้าสิบสามเหรอนวัตกรรมอ้าว่าไปนี่ผมไม่ได้ส่งมาเก้าเดือนนะครับเมื่อเก้าเดือนที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าผมติดในอัลลูปลาลาค่ะก็พยายามดูครับเห็นไหมล่ะเห็นครับไม่ได้ใส่ร้ายเนาะไม่ได้ใส่ร้ายครับแต่ตอนที่หลวงหลวงพ่อเตือนตอนนั้นก็ยังไม่เห็นไม่ชัดนะกลับมาดูที่บ้านแล้วเห็นทีนี้ช่วงนี้ก็บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดี แล้วก็เมื่อวานเมื่อวานอย่างอบรมเนี่ยครับก็คือนั่งฟังอบรมคือความตั้งใจคือจะตั้งใจอบรมแต่ว่าปับป๊บปั๊บจิตเผลอไปปั๊บปั๊บจิตเผลอไปอ๋อเราภาวนาเห็นอย่างนั้นแหละดีแล้วเวลาไปเข้าอบรมเนี่ยไม่ค่อยมีสาระหรอกยิ่งข้าราชการจัดอบรมนะหลวงพ่อเมื่อก่อนนะบเบือ่อเบื่อชอบเรียกเราไปประชุมสัมมนาใช้งบประมาณอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเนื้อหาแล้วที่สังเกตก็คือว่าถ้าเกิดแบบถ้าง่วงหรือกินอิ่มเนี่ยมันจะหลงง่ายอ๋อ チッカナにペンヤンアイ。 ทีนี้เวลาเวลาภาวนากลางคืนนะครับพอในรูปแบบเนี่ยครับคือมันพอเราพอเราจะรู้ปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราไปเพ่งเป็นประจำให้รู้ทันว่าเพ่งนะตรงคำว่าเป็นประจำจำเห็นไหมตัวนั้นขาดสตินะขาดแวบไปแล้วขาดตัวนั้นเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยนะฝึกรู้ไปคุณภาวนาได้ดีมากนะใจคุณตื่นได้ดีมากเลยแล้วอีกนิดหนึ่งครับหลวงพ่อคือถ้าเกิดภาวนาแบบลืมตาเนี่ยครับปัญหาของผมคือว่าเออเรา พอเรามองอะไรปุ๊บเราก็จะไปคอนเซนเทรตตรงนั้นหรือว่าควรจะมองไปมองมาหรือจะมองที่วัตถุอย่างใดอย่างหนึง่งมีหน้าที่มองก็มองไปนะครบแต่วาพอมองไปแล้วใจไหลไปรู้ว่าใจไหลไปแค่แค่นั้นแหละเพราะนานดีแล้วล่ะคุณอ่ะอยาก่าคิดเดยอะนะอย่ากพยายามว่าทำยังไงจะดีกว่านี้อันนั้นโลภไปเรื่อยๆหกสิบหกนามัสการค่ะ ตอนนี้ไปกดไว้ค่ะแต่อยู่ข้างนอกจิตไม่เป็นแบบนี้คะ่ะส่วนใหญ่จะรู้เผลอแต่มีสติไม่รู้ไม่รู้แบบรู้ชัดชัด ม, มันไม่ตั้งมันค่ะไปฝึก อ, อีกน ะ, ะให้คอยรู้ทันว่าเวลาเรารู้เนี่ยใจชอบไหลไปดูเวลารู้ใจมันจะไหลไปดูอย่างตอนนี้ไหลไปคิดเข้าใจไหมไปคอยรู้ทันใจที่ไหลแต่อย่าดึงให้นิ่งเริ่มกดแล้วอย่างนี้ไม่เอาเลยลืมไปเลยนะเรื่องกดอะ ยิ้มหวานหวานก่อนหันไปโบกมือให้คนข้างหลังหน่อยให้โบกแบบนางงามอย่างนี้ไหมอ่ะพวกนางงามนะเวลายิ้มอยิางวิ่งเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติไม่จริงใจเนี่ยเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยนะเนี่ยมันตื่นเต้นแหละก็เลยผิดปกติไปนิดหนึ่งที่ภาวนาใช้ได้นะแล้วไปคอยสังเกตเวลาที่จิตไปรู้อะไรเนี่ยจิตชอบถล่มไปรู้อันนี้เป็นทุกคนแหละ และยงควรจะไปเดินหรือว่าสดมนปะคะควรทำนะทำไปทำเล่ น, ลนๆโถเวลาเดินช้อปปิ้งเรายังเดินได้เย <c oughs> ลยเดินแล้วก็รู้สึกนะเดินแล้วก็คอยรู้สึกเอาเวลาเดินช้อปปิ้งไม่มีสติเลยอะคะ่ะเดินช้อปปิ้งเนี่ยเคล็ดลับของการเดินช้อปปิ้งนะอย่าเอาตังค์ไปเยอะอย่าเอาบัตรเครดิตไปขอบคุณค่ะร้อยเจ็ดสิบสองเมื่อก่อนมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะมันมาเล่าให้ฟังตอนนี้มันอยู่ป่าละอู บอกว่าไปสูญการค้าเห็นกระเป๋าใจอยากได้ร glued อยากได้เปลออีก propriACH นึงนะ่ะกระเป๋ามาอยู่บ้าน<笑>มันไม่ใช่ réussi ้นฟรรมดา ilimar uma ศั ก, กาลาหล่วงเพราะค่ะเหมือนห้าเดินที่แล้วหลวงเพราะก зрitos ก็へ่ดูร่วง five-tes staggered ดีขึ้นแล้วน psilon ไปดูออกเปล่านั้นต lev าวัล Beyaz Therefore ดูออกเปลงพ่า grab your own ไม่ต้องดูออก stamp Thursday แต่ดทกวออกจากท Kara แต่หน<า>ูรู้สึ ก, ก<ป>ว่าหนูประคองอยู่ใช่ไหมคะขณะนี้ประคองอยู่เราที่ปฏิบัติอยู่ค่ะแป๊บหนึ่งะนะผู้หญิงนั่นน่ะที่กำลังพัดพัดที่ส่งกันบ้านตะเกียะใจเนี่ยมันประคองแล้วก็ล็อกตัวอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันปะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดใช้ไม่ได้นะปล่อยใช้ล็อกอยู่อย่างนี้ไม่ดีนะผิดธรรมชาตินะต้องใจถึงถึง หนูไม่รู้จะส่งอะไรก็คือส่งไม้ขอคล้องไว้ก่อนนะคะก็คือตอนนี้ที่หนูปฏิบัติอยู่อะค่ะหนูต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมคะภาวนาอยู่ก็ดีแล้วนะเจริญสติในชีวิตประจำวันบ่อยๆของคุณจริงๆดูจิตง่ายขี้โมโหใช่ค่ะใจมันโมโหแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บอะไรก็หุนหงิดไปเรื่อยๆใช่ค่ะความหุนหงิดเกิดขึ้นรู้ความหุนหงิดเกิดขึ้นรู้ดูไปเรื่อยๆให้กันบ้านแล้วนะค่ะไปดูใจที่มันชอบหุนหงิด フルヘミーシュティーナ、メココムロ。 เราไม่ฝึกบังคับตัวเองแต่เราฝึกรู้ทันตัวเองความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้สึกเอาที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเห็นกิเลสได้บ่อยขึ้นแล้วรู้สึกไหมกิเลสไรโผล่ก็รู้โผล่ก็รู้จากจากนี้ก็คือรู้ด้วยความเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้พอใจในความสุขเราก็รู้ ค, ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ไม่ชอบในความทุกข์เราก็รู้นะกุศลอะกุศลเกิดเราก็รู้ชอบไม่ชอบเราก็รู้ ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วพอดีเป๊ะเลยร้อยสิบเก้านรรมศกาลหลวงพ่อครับก็มาครั้งแรกเหมือนกันครับผมแต่ฟังซีดีหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่งครับก็ตอนนี้ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ยันตึ้งว่าหลวงพ่อเป็นคู่โชคสิไม่ต้องกลัวหลวงพ่อครับก็พยายามฝึกสมาฝึกสติครับบางทีมันก็เข้าเข้าออกออก แล้วก็หลงซะเยอะอฟุ้งซ่านซะมากครับถ้าหลงรู้ว่าหลงอ น, นั่นคือสตินะเมื่อไรรู้สภาวะตรงความเป็นจริงก็คือสติ น, นั่นเองเช่นหลงไปรู้ว่าหลงเนี่ยมีสติมีสติในขณะรู้นะขณะหลงไม่ไม่มีแล้วไงอีกและที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถือว่าใช่ได้ของคุณต้องลดความเข้มข้นในความตั้งใจลงนิดนึงนะ ฝึกไปสบายๆไม่ตามใจกิเลสนะคำว่าสบายไม่ได้แปลว่าขี้เกียจนะแต่หมายถึงไม่รีบร้อนที่จะเอาผลเร็วๆถ้าเราภาวนาแล้วเราอยากได้ผลเร็วๆจะไม่ได้ผลหรอกเราอยากจะข อ, อ ก, การบ้านนะครับนี่ไงให้การบ้านแล้วนะไม่รีบร้อนนะขยันทำต่อเนื่องแต่ไม่รีบร้อนอย่าลุกเรียกลุกรนรู้สึกไหมใจเราชอบคิดว่าทำยังไงจะดีนะทำไงจะถูกทำไงจะสงบ キッバチャタム。ナティホミパシュナー、メシェタム、ナティヒューローやキホピディプ、プロッシン โม่โ ม, วมวยืนพื้นครับ ừ ừ ừ ก็รู้เลยว่าตัวเองช่วงนี้เนี่ยดิล้นรนน้อยลงครับแต่ก่อนนี้เป็นคนดิล้นรนในการปฏิบัติเยอะนะครับโดยรวมๆแล้วอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ายังพอไปได้ไหมครับยังได้สิดูไปสบายๆนะตามรู้ไปของคุณต้องเดินจงกรมบ้างนะไปเดินแล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นใจทำงานสม่ำเสมอในการปฏิบัติในรูปแบบถึงเวลาที่ต้องทำในรูปแบบแล้ว เพราะใจเราวางพื้นฐานไว้ดีแล้วแต่อไป น, นี้เหลือแต่ความสม่ำเสมอเท่านั้นล่ะนะร้อยห้าสิบเก้านรรศการณหลวงพ่อค่ะก็ตั้งแต่ปฏิบัติมาเห็นสภาวะจิต ท, ที่มันเกิดดับอยู่ทุกขณะค่ะแต่เหบางครั้งก็หมายถึงว่าทุกขณะที่รู้ค่ะทุกทุกขณะที่รู้ทันแต่เวลาทำงานเวลาหลงนี่ก็ ก, ก็มีค่ะก็หลงบ่อยแล้วก็มีครั้งหนึ่งไป ไปปฏิบัติตามรูปแบบมาก็เวลาเดินจงกรมนี่เห็นใจที่มันตั้งมั่นมากแล้วก็เห็นใจที่มันหลงออกไปคิดแล้วก็เห็นเวทนาแบบเห็นชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าดูเอาอย่างเวทนาไม่ได้กายไม่ใช่กายเห็นว่ามันไม่เที่ยงพอเวลาเราเอาใจไปดูมันชัดๆเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่นี่นี่มันคือเวทนาแล้วเวลาที่เราไม่ได้ดูมันหรือว่าอะไรใจมันก็หลงออกไปคิดกายมันก็เดินก็เคลื่อนไหวแล้วประมาณเดือนนี้ช่วงตั้งแต่ต้นเดือนขึ้นมาค่ะ เห็นใจที่มันเข้มแข็งเห็นใจที่มันห้าวห่านมาก<อ>คิดว่าตัวตัวตัวเองเป็นเป็นลูกพระพุทธเจ้าเด<อ>ินมาถูกทางแล้ว<อ> <laughs> คือใจมันแบบห้าวห่านมาก<อ>ใจมันไม่กลัวอะไรเลยเเแล้วเสร็จแล้วมีครั้งหนึ่งไปปฏิบัติตามรูปแบบไม่ไม่ทราบว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อคืออยู่ดีๆอย่างอย่างนั่งฟังพระอาจารย์เทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมาบอกว่าลุกขึ้นสิ เดินออกไปสี่ยกมือขึ้นสี่หรือว่ากรีดร้องสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่เข้าใจมันติดหรือเกิดปัญหาเลยหรือเปล่าแต่ก็ตามดูแล้วก็รู้ตามดูไปนะอย่าเชื่อมันเชื่อมันเดี๋ยวเลยเขาว่าเราสติแตกของคุณนะใจมันอะไรนะเรียกอะไรดีมันเร่าร้อนรุนแรงในการปฏิบัติมากกว่าปกติน ะ, ะตัวนี้เกินเกินปกติให้รู้ทันจิตใจที่เร่าร้อนจะปฏิบัต สังเกตไหมมันมีแรงผลักดันใช่ค่ะมันมีแรงอ่ามันมีแรงผลักดันนะมันมีตันหาผลักดันเราอยู่เห็นความอยากตรงนั้นด้วยค่ะข้างสมาธิลงทีไรมันจะเห็นชัดมากก็รู้แต่ว่ามันอยู่ถ้าดูไปสบายๆไม่รีบร้อนการที่เราฝึกมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางทีก็เกิดอาการอย่างเนี้ยมันมันจิตใจตั้งมั่นมากมีกำลังมากตั้งมั่นมากนะมีกำลังมากก็เป็นวิปัสสนาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ วิปัสสนูไม่ใช่ของเสียหายน ะ, ะถ้าทำวิปัสนาไม่เป็นเนี่ยจะไม่มีวิปัสสนูเลยเราเห็นสภาวะเกิดดับเห็นขันแยกออกไปขันทำงานอะไรเนี่ยตอนนี้มันมุ่งมั่นมากที่จะเอาให้ได้มันรีบ<ช>ร้อนที่จะเอาให้ได้ ใ, <ช>ให้รู้ถันคุณรู้สึกไหมจิตขนาดนี้คลายออกแล้วจิตที่เดินปัญญาได้ต้องจิตที่คลายแบบนี้นะเหมือนเหมือนบางครั้งมันรู้แต่แบบ มันหายไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็อยากอยากจะได้ตรงนี้กับคืนนี้ก็มุ่งที่จะทำอยู่นะอย่าไปอยากได้อยู่กับปัจจุบันมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันจะเกิดอะไรก็ชั่งมันไม่เกิดก็ชั่งมันไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอานะฝึกเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวเราเมื่อกี้จิตมันยิ้มแย้มขึ้นมาทีหนึ่งรู้สึกไหมคุณฝึกให้ดีแล้ว แล้วที่ท้อนะค่ะหลวงพ่อแล้วที่ที่หนูปฏิบัติอยู่นี่ต้องปรับปรุงตรงไหนไหมคะไม่ต้องนะอยู่ที่รู้ทันจิตใจที่เลวร้อนนั่นแหละแล้วก็จนทั้งจิตใจเราเป็นกลางจิตใจเราเยือกเย็นสบายไม่มีความกระเฮี้ยนกระหือเออต้องใช้คำนี้กระเฮี้ยนกระหือรู้สึกไหมมันจะเอาให้ได้อะค่ะเห็นความยากมาเวลาปฏิบัติมันแรงกว่าอยากกระเฮี้ยนกระหือนี่มันรุนแรงอ้าวแปดสิบสาม ど、e、うしたらいいの เดินไปใช่ไหมครับใ<ช>แต่ก็มีความรู้สึกว่ายังยังยังฟูงซ่านอยู่นะครับในขณะเดินไม่ได้ฝึกห้ามฟูงซ่านนะคฟูงเรารู้ฟูงเรารู้ไปคุณรู้สึกไหมจิตคุณมีแรงมากขึ้น ร, รู้สึกไหมแรงไม่ใช่แรงแบบกระโชกโผงผากเนี่ยเป็นแรงแห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานความสงบความสะอาดความสว่างรู้สึกไหมงั้นเราไปเดินอีกแต่เราไม่ได้เดินคาดหวังผลอะไรนะเราต้องนั่งสมาธิไหมครับ ยังไม่ต้องนั่งก็ได้เดินเอาไว้เอาต่อไปนะครั้งหน้านี้เชิญเบอร์สิบสามรัตสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้างครั้งแรกครั้งตื่นเต้นมากเอาขอาการหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนเลยค่ะเมตตามากนะ <c oughs> สอนก็สอนมาแต่เช้าแล้วค่ะแล้วไงก็เท่าที่หนูฟังซีดีมาก็คิดว่าปฏิบัติแล้วอะค่ะไม่รู้ว่าปฏิบัติ ถูกหรือยังอะค่ะเข้มแข็งกว่านี้นิดหน่อยน ะ, ะเราเป็นคนที่ใจอ่อนไปนิดนึงพยายามเวลาตั้งใจจะทำอะไรนั่นต้องพุทธสู้ภาคเพียรทำให้ได้นึกว่าสร้างอธิฐานนับบารมีอธิฐานนับบารมีหมายถึงถ้าตั้งใจจะทำความดีอะไรแล้วต้องเอาให้ได้ไม่ท้อถอยกลางทางน ะ, ะฝึกใจให้เข้มแข็งฝึกใจให้เด็ดเดี่ยวแล้วก็มีสติตามรู้ไป ของคุณขาดความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไปหน่อยดูออกป่าวใจเราพร้อมที่จะถอยเสมอต้องสู้นะนั่นแหละคือจุดอ่อนไปดูตรงนี้แล้วเท่าที่ความรู้เท่าที่ได้มานี่ใช่รู้จริงหรือเปล่าคะรู้สิถ้ารู้ทันว่ากิเลสเกิดขึ้นกิเลสหายไปรู้ด้วยความเป็นกลางได้ก็เรียกว่ารู้เป็นละที่ฝึกต้องฝึกให้ใจเข้มแข็งอย่าให้ป้อแแป้ท้อแท้ไปนะค่ะแล้ว จิตถึงฐานบ้างไหมคะน่าอย่างใจร้อ น, นให้ฝึกเรายกมาสามวันแล้วโหฝึกมาสามวันจะเอานู่นเอานี่รู้เปล่าหลงมาตั้งแต่เกิดอะทำไมหลงมาตั้งหลายสิบปีไม่ว่านะแม่มาฝึกสามวันจะเอาอะไรนักหนาอ๋อค่ะใจเย็นๆสินะอดทนไหมเส้นทางนี้นะเป็นเส้ น, สนทางของคนจริง ถ้าตั้งใจจะเดินแล้วต้องเดินจริงๆพักเพียรไปทุกวันทุกวันเส้นทางนี้รู้สึกไหมตอนนี้จิตใจเข้มแข็งขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเออ<ะ>ต้องเข้มแข็งอย่างนี้นะแล้วก็คอยรู้สึกตัวไปเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานเนีอย่ยตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมคะหลวงพ่อต้องให้คุณมีจิตที่แข็งแรงอย่างนี้ก่อนคุณจึงจะเห็นสภาวะได้ จิตที่มันเข้มแข็งขึ้นมานี่แหละมันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาที่ว่ามันถึงฐานมันตื่นจิตที่ละท้อละทุยไม่ตื่นหรอกหนูตื่นหรือยังไม่ตื่นหรอกก็จะประมาณเคลิ้มๆอย่างอนี้ค่ะตลอดเคลิ้มๆไม่เอากระดุกกระดิกไว้เคลื่อนไหวไว้เอาเบอร์ยี่สิบเจ็ดตั้งเข้มแข็งแบบนี้นะใจละท้อละทุยงั้นไม่เอา น า, ามัสการเขาหลวงพ่อส่งกันบ้านครั้งแรกครับ<อ>ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อต้องทำอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่าก<ะ><ะ>ล้าถามเหรอกล้าฟังคำตอบไหมกล้าครับดีไปทำอีก <c oughs> หันรู้สึกไปอย่างนี้แหละใจมันจะค่อยๆตื่นขึ้นมานะถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดเมื่อนั้นจิตก็จะตื่นขึ้นมาตอนนี้จิตหลงไปคิดแล้วทราบไหมจิตใจของคุณมันยังแรงน้อยไปนิดนึงนะทำสม่ำเสมอแล้วแรงมันจะมากกว่านี้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 มาแบบแก้วเปล่าๆเลยนะคะดีแก้วเปล่าๆดีค่ะคราวนี้หนูเริ่มปฏิบัติมาก็ขอความชี้แนะจากหลวงพ่อแน่ใจหรือเปล่าว่าแก้วเปล่าคือรู้สึกไหมว่าเราก็ยังเคยเพ่งมั้ยติดเพ่งนะคะยังเพ่งอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูจะกลับไปแก้ไขให้ดูค่ะไม่แก้ไขไปรู้ทันรู้ทันค่ะรู้สึกไหมใจขนาดนี้เนี้ยยอมรับค่ะมันตื่นเต้นนะคะเออนะเพ่งอยู่ให้รู้ว่าเพ่งนะค่ะ แล้วก็ตามรู้ตามดูอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆค่ะดีแล้วที่จะเหมาะกับหนูนี่คือลักษณะทำอะไรคะดูจิตไปเลยดูด จ, จิตได้แต่ถ้าวันไหนดูไม่ออกนะดูกายไว้ค่ะเ <นะ S 2> บอร์ยี่สิบแปดขอพบพระคุณค่ะของคุณอย่าทิ้งกายนะวันไหนดูจิตไม่ออกดูกายเห็นกายยืนเดินนั่งนอนของคุณกำลังของจิตมันมากนะดีออมีแรงที่จะภาวนาได้ตั้งอกตั้งใจทำไป คอยรู้ทันกิเลสไปนะบางคนยังไม่มีแรงเลยต้องพัฒนาแรงก่อนเองคุณมีแรงแล้วแต่อย่าเอาแรงไปโมโหซะหมดนะเบอร์เบอร์อะไรยี <28 S 1> อ่สิบแปดว่าไปนามันสการค่ะหลวงพ่อคือปฏิบัติมาก็ระยะหนึ่งแต่ก็รู้สึกไหมว่าตัวจริงของเราเป็นคนสนค่ะเห็น ไ, ไหมตัวจริงเราซุกสนเราไม่ห้ามมันนะค่ะมันสนสนเราก็รู้ว่ามันสนค่ะ มันช่างคุยมันช่างเล่นเราก็รู้ทันมันะนะอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ลูกเดียวเลยไหวไหมไหวค่ะเราต้องปฏิบัติตามรูปแบบรูปแบบเอาไว้ก่อนก็ได้ให้ทำตอนนี้ยังท้อแท้ใจค่ ะ, ะให้ไปดูในชีวิตธรรมดา น, นี้ก่อนน ะ, ะให้เห็นสภาวะให้ชำนิชำนานก่อนถ้ายังเห็นสภาวะไม่ชำนานไปทำในรูปแบบแล้วบางทีไปเพ่งงอพอเพ่งแล้วแก้ยาก อย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจเรากว้างๆลอยๆรู้สึกไหมกว้างๆไปให้คอยรู้ทันน ะ, ะนนเบอร์36นำสามสิบหกนรมาสการค่ะหลวงพ่อก็เพิ่งถือว่ากำลังจะปฏิบัติอย่างจริงจังเพิ่งจะเริ่มมาก็ขอคำแนะนำแล้วก็วิหารธรรมค่ะไปเรียนอาจารย์สุรวัตรยัเองอาจารย์สุรวัตรบอกให้ทำอะไรบ้าง ไปนั่งฟังเฉยๆค่ะยังไม่ได้คุยค่ะไม่ต้องคุยก็ได้หมายถึงอาจารย์สุรวัตรเขาสอนยังไงล่ะก็ให้ตามดูจิตนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตตื่นเต้นก็รู้จิตหดหู่ก็รู้นะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายจิตโลภจิตเกลียดจิตหลงตามดูเล่นๆไปเรื่อยไม่แทรกแซงไม่บังคับไม่ห้ามไม่ควบคุมตอนทำตามรูปแบบ จะติดเพ่งอะค่ะติดเพง่งธรรมดาให้เรารู้ว่าเพ่งอยู่ไม่ไม่ได้ว่าติดแล้วแต่มันเคยชินที่จะเพง่งจิตมันก็เพง่งแล้วเราวิหารธรรมที่เหมาะกับตัวเองนี่จะเป็นอยัางไงกระดุกระดิกไว้นะเคลื่อนไหวไหมให้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไหมคุณรู้กายไปด้วยรู้กายไปด้วยจิตคุณจะมีแรงแล้วคุณจะเห็นจิตชัดเป็นเดินจงกรมเดินเดินอ ย, อย่าเดินแบบหวังผลนะ เดินจงกรมก็แค、si. ่เดินรู、right. ้สึกกายรู้สึกใจไปเดินรู้สึกตัวไปเมื่อวานหลวงพ่อเรียกให้คนมาเดินให้ดูนึกออกไหมเดินรู้สึกตัวไม่ใช่เดินบังคับตัวเองเดินสบายๆรู้ตัวไปเห็นร่างกายมันเดินใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดเนี่ยฝึกรู้อย่างนี้เดินไปสุดทางนะก็รู้สึกตัวก่อนยังไม่หมุนตัวกลับมารู้สึกตัวสบายๆแล้วก็หมุนตัวกลับมาไม่ช้าไม่เร็วเกินไปพอหมุนตัวกลับมาแล้วยังไม่รีบเดิน รู้สึกตัวให้สบายกัอนเราค่อยเดินเพราะฉะนั้นเราเดินเออกว่ามรู้สึกตัวเอามือไม่ได้เดินรีบร้อนอะไรหรอกอย่าไปิกดจิทให้นิ่งนะอานอ้าเบอร์14อยู่โน้นกลาดกับมาสการลงพ่อ ern ์ cré เอ่อขณะที่ชูปล่ายขึ้นแล้วล ง, ลงพ่อไม่ได้เรียกครั้งแรกก็รู้สึกรู้สึกคราวาเซียใจัยนื้ malam mod ARO ด備ีจัย หลวงพ่อบอกว่าโยมจิตนิ่งแต่ตอนนี้ไม่นิ่งแล้วใช่ไหมเจ้าคะไม่นิ่งเพราะเพราะรู้ว่าตื่นเต้นใช่เริ่มเคลื่อนแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเมื่อเคลื่อนแล้วเราก็รู้เคลื่อนแล้วเราก็รู้ไม่ใช่บังคับให้นิ่งเจ้าค่ะภาวนาดีขึ้นนะเจ้าค่ะแต่รู้สึกไหมขณะนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมดูออกเจ้าค่ะให้รู้ทันว่าจิตไม่ถึงฐานถ้าดูออกว่าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยภาวนาง่ายแล้วไม่ต้องดึงนะ ไม่ได้เข้ามาเองอ่ะค่อยๆรู้ไปเจ้าค่ะแต่แต่ถ้านั่งในรูปแบบหรือว่าเดินจงกรมปั๊บโยมจะนิ่งทันทีเลยคือจะนิ่งง่ายไม่ของเก่านะไม่ติดสมร tha ต้องแล้วดูความนิ่งไปทำงานบ้านแทนขวัดบ้านถูบ้านนะขวัดแล้วขวัดอีกก็ได้ขวัดหมดบ้านแล้วเริ่มใหม่อย่างเงี้ยเคลื่อนไหวไปแล้วก็รู้สึกไปเจ้าค่ะคุณทำได้ดีเชียวล่ะค่ะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณ เลยอีกหนึ่งโซนบางคนบอกว่าโอ้ทำไมหลวงพ่อปามโมที่เรื่องมากมีเวลาด้วยวัดอื่นไม่เห็นมีเวลาเลยก็ไม่ไปดูไม่มีคนไปอะ่ะ <c oughs> ถ้ามีคนไปพระท่านก็ต้องมีเวลาเลยเห็นไหมวัดจันทนเ์เนี่ยเมื่อก่อนรับทั้งวันเห็นไหมเสร็จแล้วบอกโอ้เราต้องยังเอาละอย่างอาจารย์ปามโมทบ้างแล้วเราไม่ไหวแล้วท่านเลยรับถึงห้าโมงเช้าแล้วท่านบอกนี่เป็นแผนการท่านนะ เพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยคนจะมาอยู่ที่นี่เกือบหมดแล้วพอเลิกจากที่นี่สิบโมงนะไปไม่ทันหรอกถ้าท่านบอกท่านเปิดตอนบ่ายใช่ไหมเราหมดนี่แล้วเราไปทานันบางคนบอกโอ้ทำไมไม่เมตตาโถวก็เมตตานะที่พยายามประครับประคองตัวเองอยู่ทุกวันนี้นะเพื่อจะได้ทำงานให้ได้เยอะๆหน่อยอย่างส่วนถ้ามาลุ่มหลวงพ่อทั้งวันทั้งวันนะสามสี่วันเราก็ม่องเท่งแล้ว แล้วใครจะสอนว่าใครจะเข็นบัวเข็นควายขึ้นเขาต่อเอาโซนสุดท้ายร้อยสี่สิบเก้าว่ามาอยู่ที่วัดครั้งสุดท้ายเมื่อหกเดือนที่แล้วนะคะตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้ดูลงปัจจุบันไปนะคะก็ตอนนี้พบว่าตัวเองโมหะเยอะแล้วก็จิตไม่ตั้งมั่นขณะนี้ตื่นเต้นมากนะคะ ติดเพ่งด้วยไหมเห็นกิเลสบ่อยไหมบ่อยค่ะนะใช่ได้บ่อยค่ะแล้วก็ติดเพ่งค่ะมีวันหนึ่งนั่งสบายๆแล้วก็พอติดเพ่งก็จะรู้ว่าไม่พอใจสักพักจะมีความหงุดหงิดขึ้นมากางอกไว้แแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแล้วก็ดีแล้วก็ดูไปถล่ำไปดูอะค่ะหลวงพ่อเพราะว่าสงสัยมากว่าทำไมลงหงุดหงิดขนาดนี้กับการที่เราติดเพ่งก็เลยรู้ว่าพอมาพิจารณาใหม่ก็เลยรู้ว่าดูผิดตัวไม่ได้ดูลงปัจจุบันเหมือนที่หลวงพ่อบอก มันต้องดูคลี่ความสงสัยใช่ไหมเจ้า<ช>ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ระยะหลังจะเจอว่าจะมีความบีบอยู่ๆก็จะมีแล่นขึ้นมากางอกเป็นความบีบคันว่ามันทุกข์มากขนาดออานี้ดีเจอหลายครั้งมากเลยค่ะมันจะแว๊แบๆ แ, แ, แล้วมันก็ดับไปดีค่ะภาวนาได้ดีนะภาวนาถูกต้องไปทำอีกนะค่ะเบอร์ร้อยแปด องค์พ่อคะตอนอยู่บ้านมีรู้สึกว่าตัวเองมีสติรู้จริงๆอะค่ะก็คือมันเห็นแบบบางเฉียงมาแต่ว่าช่วงนี้จริงๆโดยรวมคือมันตั้งใจดูเยอะอะค่ะมันอะไรนะดังใจเยอะอะค่ะเออมันตั้งใจเยอะเราบางทีมันทำให้แข็งเกินไปเราเหมือนจะเพ่งเกินไปก็ทุกนะใช่ค่ะนั่นเมื่อไหร่ใจมีความอยากใจก็ทุกแค่อยากปฏิบัติยังทุกเลยค่ะไปดูนะใจอยากเมื่อไหร่ใจทุกเมื่อนั้นใครรู้ทันบ่อย แล้วตอนนี้หนูพอจะรู้เป็นบ้างรึเปล่ารู้เป็นสิหนูพ่อถึงให้การบ้านต่อนะค่ะให้ดูความอยากใจมีความอยากเพิ่มเมื่อไหร่ใจก็ทุกเมื่อนั้นแหละหนูมีอยากกับไม่อยากเยอะมากเลยใช่ไหมนั่นแหละไปดูตัวนั้นหนูพ่อถึงให้ดูตัวนี้ไงมันเกิดบ่อยอ้าวเบอร์แปดสิบสี่เอาไปขอโทษขาดอีกนิดยังไม่จบอีกเหรอคือจริตหนูเหมาะดูจิตหรือดูกายมากกว่าจิตไปค่ะเขาพึ่งขาดอ้าวเบอร์แปดสิบสี่ไม่งั้นจะนั่งเสียใจอยู่นั่นแหละ นั่งปล่อยพลังงานเสียใจเดี๋ยวคนข้างๆร้องไห้ไปหมดเอ้าทีแรกว่าจะไม่ขอโทษค่ะลืมลืมสติ <c oughs> ขับกลับน้ำมศ ก, การหลวงพ่อค่ะอ๋อเ <c oughs> จริญพรโยมคือรู้ว่าฟงเก่งอะค่ะแล้วก็<ม>ทีนี้มันฟงมาในเรื่องเรื่องเรื่องติดดีเรื่องอามานะอัตตาเอา้าเรารู้อยู่แล้วอะให้ดูไปใจไม่สงบใจไม่ตั้งมั่นไปดูตัวนี้นะ เวลาใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าใจฟุ้งซ่านปัญหาของคุณตอนนี้คือใจฟุ้งซ่านเท่าะนั้นเมื่อกี้หลวงพ่อก็บอกไปแล้วนะดูออกไหมใจมันฟุ้งซ่านออกค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าใจมันเหมือนกับว่าไม่ได้ส่งกันบ้านนานแล้วแล้วก็นั่นแหละไปดู <c oughs> ตรวจให้ตั้งแต่ยังไม่ส่งไปแล้วนะ <c oughs> ให้คุณไปดูใจที่มันฟุ้งะนะ <c oughs> บางทีไม่ต้องส่งเราโทรเราก็บอกให้แล้วเอาต่อไปห้าสิบเจ็ด นมัสการหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ได้มาครั้งนี้ครั้งแรกนะคะก็มีสติบ้างแล้วก็ทราบว่ามีโมหะเป็นหดงุดหงิดมีกิเลส น, นะคะก็บางครั้งเวลาเห็นเห็นบ้างไหมชีวิตนี้มันมีแต่ความทุกข์ใช่ค่ะท<ะ>่านชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ค่ะถ้าความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใจเราเป็นกลางนะใจจะไม่ทุกข์ด้วยค่ะ อย่างปัญหาต่างๆเวลาเกิดขึ้นมาแล้วมันทำให้ใจเราทุกข์ได้เนี่ยเพราะใจเราไม่เป็นกลางอย่างเช่นเราอยากให้ปัญหาหายไปเนี่ย ค, ความอยากเกิดขึ้นาใจก็ทุกข์ขึ้นมาะนะเราเรียนรู้ทันใจของเราไปบ่อยๆใจเรามีความอยากขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ไปรู้ทันบ่อยๆบางบางครั้งรู้สึกว่ารู้ทันแต่ว่าความทุกข์หรือความกโกรธก็ยังอยู่ไม่ห้ามมันนะ E、<t ion> เราไม่แทรกแสง <c> <t ion> ถ้าเมื่อไหอไร่มีสภาวะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา <c> <t ion> ใจเราเป็นกลางนะใจจะไม่ทุกข์หรอกกระทั่งปัญหาเกิดอยู่นะใจเราเป็นกลางใจจะไม่ทุกข์แต่ถ้าใจเราอยากให้อันนี้หายไปเนี <c> ่ย <t ion> ใจจะทุกข์ <c> <t ion> ใจของเราไม่เป็นกลางนึก อ, ออกไหมความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้หายปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นอยากให้หาย <c> <t ion> น, นี่ความอยากมันเกิดเราไม่เห็นใจเราตึงทุกข์งั้นให้เรารู้ทันใจที่อยากให้มันหายทุกข์อ่ะนะ รู้ทันตัวนี้นะแล้วความทุกข์มันจะอยู่ห่างๆไปเลยให้รู้ทันความอยากตัวรู้ทันความอยากที่จะมีความสุขอยากที่จะหมดความทุกข์นั่นแหละรู้คู่นี้ไปรบกวนขอกันบ้านหลวงพ่อให้แล้วนะไปดูใจที่อยากนี่แหละใจที่อยากให้มันไม่ทุกข์อ่ะปัญหาของคุณอยู่ตรงนี้ร้อยสิบสามอยู่ข้างหลังในข้างหลังกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อก็ ะรายงานผลการปฏิบัติค่ะตั้งแต่ห้าเดือนที่ผ่านมาที่เริ่มดูจิต ด, ดูกายมาก็เห็นกิเลสเกิดขึ้นรู้สึกหรือยัางว่าใจเราก็ค่อยตื่นขึ้นมาแล้วก็พอจะรู้สึกได้อ่ะค่ะก็รู้สึกว่าทุกมันสั้นลงสุขมันสั้นลงอ่ะค่ะอยากจะรักคนข้างๆอย่างหัวปักหัวปำอย่างเมื่อก่อนก็พอมันจะรักมันก็ตัดไปอ่ะค่ะแล้วก็บอกเขานะไม่จำเป็นส่งแบบรีเก้ค่ะเขาไม่ได้ยินค่ะแล้วกันต้องป้องไว้ก่อนสิอย่างนี้เขาได้ยินไปแล้ว แล้วก็มีโอกาสได้เห็นโทสะอะค่ะแล้วพอเห็นแล้วเราก็รู้สึกไม่เป็นกลางกับมันนะคะพอเห็นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเรามีอัตตาเราไปยึดว่าสิ่งที่มันมากระทบมันกระทบเรามีตัวเราอยู่อะคะ่ะแล้วพอเห็นมันก็ยิ่งไม่เป็นกลางมันก็เป็นโทสะซ้อนโทสะขึ้นไปเรื่อยๆอะคะ่ะดูไปอย่างนั้นแหละให้รู้ในปัจจุบันแล้วมันก็ร้อนอยู่ที่กลางอกอะคะ่ะใช่กิเลสเกิดแล้วยังไงก็ต้องร้อนอ่า การบ้านของหลวงพ่อคือให้หนูดูลงปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ดูลงปัจจุบันนะใจมีความเล่าร้อนขึ้นมาก็รู้ทันไปเราเป็นคนใจร้อนอะอะไรมันก็ร้อนไปหมดแลย้ว<ะ>กเเ็เกิดมาชาตินี้หนูมีพ่ออยู่สามคนคะ่ะก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติภาวนาให้พ่อ <c oughs> ทั้งสามคนคะ่ะนะโมตนาเอาหกสิบสี่กับนรมาสการ์ค่ะหลวงพอดีใจไหมได้ไหม ดีใจค่ะเออดีใจให้รู้ทันว่าไปคือมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็มาฟังทำครั้งแรกด้วยอะค่ะก็รู้สึกไหมว่าง่ายยากค่ะยากเหรอแม่ <laughs> <laughs> ลาอุตสาพูดนำ <laughs> ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นสังคมคนเมืองอะค่ะการงานเร่งรีบ<ช>ก็พยายามจะหาความสุขให้กับ<ช>ตัวเองไม่ฟุ้งซ่านไม่สับสนไม่ ไม่ทุก<ร>ข์ถ้าเราลองเปลี่ยนตัวเองนะมาเป็นคนดูเราจะไม่ค่อยทุกข์หรอกอย่างเราเห็นคนอื่นทุกข์เราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราทุกข์เองมันก็ทุกข์เยอะถ้าเมื่อไหร่ใจเราเริ่มเปลี่ยนนะเราเห็นร่างกายนี้เหมือนเห็นคนอื่นนะใจนี้ก็เหมือนเห็นคนอื่นใจใจที่โกรธขึ้นมานะเห็นเหมือนคนอื่นโกรธเลยถ้าดูได้เบ็ดเลยเรื่อยนั้นก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไรหร่หรอกมันเหมือนเห็นคนอื่นทุกข์กับเราไม่ทุกข์ด้วย อย่างนี้ก็ควรจะเริ่มจากเริ่มหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองอย่างนี้ภาษาอย่างนี้พอรู้เรื่องไหมรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเช่นใจมันรู้สึกสุขก็รู้อ๋อมีความสุขอยู่ใจมันทุกข์ขึ้นมาก็รู้อ๋อกำลังทุกข์อยู่นะแล้วชุกแล้วทำไงอะคะ <c oughs> ไม่ต้องทำเราเราทำตัวเป็นแค่คนดู เราจะทำตัวเป็นคนดูนะต่อไป น, นี้ทำตัวเป็นผู้สังเกตการเป็น observer ไม่ใช่ผู้กระทำไม่ใช่ actor ะน ะ, ะลองดูสิการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือร่างกายกับจิตใจร่างกายนะมันก็เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยไปตามเรื่องของมันน ะ, ะแต่จิตใจเราเองอะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลย เวลากลุ้มก็กลุ้มใจใช่ไหมเวลาดีก็ดีใจเวลาเสียก็เสียใจใช่ไหมสบายก็สบายใจใช่ไหมกังวลใจมันลงมาที่ใจเท่านั้นเลยเราเทคแคร์ใจตัวเองหน่อยด้วยการสนใจสนใจคอยรู้ทันความรู้สึกในใจของเราเองสมมติว่าใจเราเนี่ยเป็นแฟนเราเพิ่งจะจีบกันใหม่ๆเราเทคแคร์เราคอยสนใจคอยตามรู้ตามดูเขาเรื่อยๆ ดูใจของเรานะเหมือนเขาเป็นแฟนเราสักคนหนึ่งที่น่ารักน่ารักรักมากใครดูเขาเขาจะรู้สึกยังไงเราต้องแคร์ความรู้สึกของเขาค่ะนะคอยตามดูความรู้สึกของตัวเองไปบ่อยๆไหวไหมไหวค่ะไม่ขนาดนี้ฮะจะลองดูค่ะท่าทางยังไม่ค่อยมั่นใจขอบคุณค่ะได้อีกหนึ่งคนร้อยยี่สิบสี่นะ เดยววหมดแล้วหมดแล้วหมดแรงแล้วไม่ใช่หมดอะไรหรอกแล้วยี่สิบสี่อยู่นู้นแล้วเบอร์อะไรเนี่ยวุบวั บ, บ, บ, บอยู่ข้างหลังเอาสี่สิบสี่คนหนึ่งอะสองคนอะสองคนนมัส ก, การหลวงพ่อครับไม่ได้ส่งการบ้านมานานก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดๆอยู่ครับเออเป็นหมูกระดาษ ด, ด้วยไหมครับก็ก็รู้สึกว่าเป็นคนฟุ้งซ่าน ง, ง่ายครับออแล้วก็ตอนวันนี้ก็รู้สึกว่ามัน มันเบอร์เบอร์มันมองอะไรไม่ค่อยออกแล้วก็เห็นว่าตัวเองรู้สึกเดี๋ยวก็หลงไปคิดหลงไปคิดแล้วก็รู้สึกโมโหตัวเองที่แบบเอ๊ะทำไมเราหลงไปคิดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้หรอกเออตือนเต้นนะครับเลยคิดอะไรไม่ค่อยออกอคิดไม่ออกก็รู้ว่ามันไม่คิดก็แค่รู้ทันนะทีนี้ <c oughs> มันก็ <c oughs> คือบางทีเราก็จะเห็นรู้สึกว่าใจเรากะสับกะสายที่อยากจะหาความสุขอะไรอย่างเงี <ๆ S 1> ้ยนั่นแหละไปรู้ทัน อยากให้หลวงพ่อชี้แนะว่าก็รู้ท<ำ>ันใจที่กระสับกระส่ายไปสิรู้ลงปัจจุบันไม่มีอย่างอื่นหรอกการภาวนาก็มีอยู่เท่านั้นแหละรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปตอนนี้ยังอยู่ในรูอยู่ไหมครับอยู่อยู่นะแต่ว่าอยู่ด้วยความไม่เต็มใจอยากให้มันดีกว่า น, นี้ครับอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบให้รู้ทันใจที่อยากไปทีนี้ถ้าเราฟุ้งซ่านง่ายเนี่ยเราบริกรรมไปครับ พุทโธพุทโธพุทโธนะแต่ไม่ได้พุทโธเพื่อให้ใจนิ่งพุทโธเล่นเล่นพุทโธไปอย่างมีความสุขพอมีความสุขแล้วจิต จ, จะสงบเอง อ, อ่าเบอร์สี่สิบสี่อยู่ข้างหลังข้างหลังคนสุดท้ายกราบ น, นมัสการณหลวงพ่อค่ะวันนี้สึกปิติยินดีบอกไม่ถูกปิติยินดีปรีดาปลาโมดค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ฟังซีดีหลวงพ่อแค่ทิศเดียว ก็มีความรู้สึก、enfin>、ว่าอยากจะมากราบหลวงพ่อสักครั้งเนื่องจากว่าหมอทางโลกบอกว่าตัวลูกอะใกล้วัละแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกังวลมันค่ะก็หลายคนนะประเภทรอดแร่เลยบอกหมอบอกไม่กี่วันจะตายแล้วมาฟังหลวงพ่อนะจิตใจร่าเริงเบิกบานจิตมีปีติมีธรรมะขึ้นมานะอยู่มาป่านนี้ยังไม่ตายเลยจนหมอจะตายก่อนแล้วค่ะ ทีนี้ตัวลูกมีความสับสนนิดหน่อยค่ะที่ผ่านมาก็ปฏิบัติในเรื่องของพุทโธและดูลมหายใจแต่เนื่องจากว่าเวทนาสังขารมันเยอะค่ะเพราะว่าเจ็บป่วยแล้วก็ยังต้องทานยาแล้วภาระทั้งโลกก็มีใจหนึ่งกล้าที่จ ะ, ะเผชิญความจริงว่าตายไม่กลัวอีกใจหนึ่งก็กลัวว่าภาระทั้งโลกคุณพ่อคุณแม่ลูกๆ ก, ก็ยังอยู่ยังแล้วก็กรรมยังมีความรู้สึกว่ายังใช่อีกเยอะมากกว่าจะหมด ตรงนี้<ม>สรับสนค่ะหลวงพ่อก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยคือแต่ละคนนะอยู่ได้แค่ไหนมันก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของเราแต่ละคนคนอื่นที่เขาอยู่ข้างหลังนะเขาก็อยู่ด้วยกรรมของเขาหล่อเลี้ยงคะถึงคราวที่เรายังมีเรี่ยวมีแรงอยู่เราก็ดูแลไปตามหน้าที่ของเราเมื่อเราดูแลเต็มที่แล้ว ไ, ได้แค่นี้ก็คือแค่นี้ที่เหลือเขาก็ต้องดูแลของเขาเอง<ะ>ของคุณคของคุณนะคุณต้องฝึกตรงนี้เลย ฝึก <c oughs> ที่อื่นไม่ทันหรอก <c oughs> ฝึกที่จิตอันเดียวเลย <c oughs> ฝึกที่จิตอันเดียวเลยเวทนารุนแรงเนี่ยถ้าจะทำแต่สมาธิเอาไม่อยู่หรอกคุณดูไปเลยดูใจที่กระสับกระสายไป <c oughs> ดูเหมือนเห็นคนอื่นกระสับกระสายดูที่ใจเราเลยนะ <c oughs> พอความเจ็บปวดลดลงเราเห็นว่าจิตมันดีใจขึ้นมาเรารู้ว่าดีใจห <c oughs> ลวงพ่อเคยสอนคนจะตายคนหนึ่งนะของคุณยังไม่ตายง่ายหรอก มีพระองค์หนึ่งท่านไม่สบายนะเดี๋ยวหลวงพ่อดูแล้วโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะตายแล้ววันนี้เราไปเยี่ยมหน่อยท่านใกล้จะตายแล้วไปถึงหลวงพ่อก็ให้กำลังใจท่านเลยอาจารย์รอบนี้ตายแน่นไหนๆอาจารย์จะตายแล้วเราตายอย่างนักปฏิบัตินะดูมันตายใจของเราเป็นแค่คนดูนะเห็นร่างกายมันตายเห็นร่างกายมันเจ็บเห็นร่างกายมันดิ้นไปดิ้นมาใจเราเป็นคนดูใจเราอยากกระเพื่อมวันไหวไปกับมัน ถือว่าเราดูดูมันไปเรื่อยๆปรากฏว่าท่านดูเรื่อยๆนะรู้ทันใจของท่านเรื่อยๆขออนุญาตอีกคำถามขออนุญาตอีกคำถามหนึ่งค่ะพอจะทราบว่าศีลห้าบริสุทธิ์ทำให้เราปฏิบัติได้ราบรื่นหลายๆเรื่องดูดีแต่แต่ในความรู้สึกของตัวดิฉันเองศีลห้าก็ยังไม่บริสุทธิ์อาจจะผิดโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะศีลห้าเนี่ยนะไม่ใช่บริสุทธิ์24ชั่วโมงหรอกอ๋อค่ะ ถ้าพอสุนข inas NH เราแพนคุณคนรู้จะฟังเชื่อไง appliquean ิ Bellum, ีด Trans traveling вже ราะ多 Release sa тоб แล้วพอสุข Lynn ท Gospel me? i prince alle 14บ оны um submarine? i Eli King ท SL if you're taught to be the first wat of Mother บ้าน나가ว commissions เราก็หังปีาคนตสุขนาดพัานเลยทำไมท่านเป็นพระรหารได้为하죠ท้านบ้านฟรรย์ทบ ans เรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันชีวิตส่วนที่ผิดศีลห้านั้นจบไปแล้วเราตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอีกขนาดนี้เรามีศีลห้าอยู่แล้วค่ะกราบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่าท้อใจนะอย่าท้อใจใครคนฟังธรรมนะไม่ตายอยู่ได้ตั้งนานเขามีค่ะต้องกราบขอบพระคุณโอกาสถึงข้างหลังนี่ค่ะพอดีมาครั้งแรกก็ไม่ทราบว่าจะต้องมีเบอร์มีอะไรอย่างเงี้ยก็กรุณาให้ครั้งนี้รู้สึกว่า เมื่อกี้นั่งตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีขอให้ได้สนทนาระธรรมกับหลวงพ่อสักครั้งก็ได้อย่างดังปรารถนาเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปตัวนี้ฉันคงจะต้องปฏิบัติแล้วก็เดินทางตามที่หลวงพ่อบอกอย่างเคร่งครัดดีนะทำเป็นพุทธบูชาไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะโคม่าแล้วแล้วทำสมาธิมาก่อนแล้วทำไม่ได้เลยสมาธิแตกหมดแล้วแกบอกแกจะตายแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูไปเลยร่างกายเนี่ยนะ สมมติไปเลยร่างกายนี้เหมือนดอกไม้ขอถวายบูชาพระพุทธเจ้าดอกไม้ที่เราตัดมาใส่แจกันแล้วมันจะเหี่ยวหรือไม่เหี่ยวเนี่ยไม่สำคัญแล้วนะเราได้เอาไปบูชาพระแล้วร่างกายเนี่ยเราขอถวายเป็นพุทธบูชาแล้วนะมันจะแตกจะดับปอะไรเรื่องของมันแล้วใจของเราขออยู่กับพระพุทธเจ้าไว้เน、mm、ี、hmm. ่ยใจแกคิดอย่างนี้นะใจแกสงบใจแกตั้งมัน่นอยู่มาป่านนี้ยังไม่ตายเลยตั้งเป็นปีๆแล้วนี่หมอแทบจะคว้านท้องเลยอับอายไข่หน้าหมอบอกจะตายอยู่แล้ว、mm hmm. <laughs> มีเยอะนะที่เป็นมะเร็งอ่ะเยอะแยะเลยนะตัวตัวที่ฉันก็เป็นค่ะธรรมดาโรคทันสมัยค่ะ<ล>เพื่อนเยอะเหตุเพื่อนเยอะค่ะอ้าวเชิญกลับบ้าน